หัวข้อทำความเข้าใจสติปัฏฐานสี่เบื้องต้นเมื่อทำไว้ในใจว่าต่อไปนี้ครูสอนกรรมฐานของฉันคือพระพุทธเจ้าการอ่านมหาสติปัฏฐา น, นสูตรของฉันก็ไม่ใช่แค่สักแต่ดูเล่นว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแต่เป็นการน้อมรับฟังว่าพระพุทธเจ้าสั่งให้ทำอะไรบ้างจิตที่เต็มไปด้วยความเคารพ ทำให้การศึกษามาหาสติปัฏฐานสูตรแยกเป็นสองระดับโดยสมองทำงานแยกกันเป็นอิสระคือหนึ่งรับฟังและจดจำใส่กล้าวอย่างไม่มีเงื่อนไขกระทำสมองเป็นกระบะรับพุทธพจน์ ท, ทุกถ้อยทุกคำส่งจำไว้อย่างแม่นยำยิ่งกว่าอ่านตำราทำข้อสอบใดๆทั้งหมดในชีวิตชนิดที่ถ้าใครถามตรงไหน ฉันตอบได้หมดลงรายละเอียดได้เป็นคำคำไม่มีพลาดสองตั้งคำถามหาเหตุผลว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงซอยกายใจออกเป็นสี่หมวดคือกายเวทนาจิตธรรมตามลำดับเพื่อความเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนหลังทำถึงไหนแล้วควรต่ออย่างไร ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ฉันสรุปไว้แบบขึ้นใจในระดับของการศึกษาด้วยสมองยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงหัวข้อหมวดกายสมมุติว่าฉันไม่รู้จักสติปัฏฐานสี่มาก่อนเราตั้งคำถามกับตนเองว่าระหว่างกายกับใจอันไหนดูง่ายกว่ากันแน่นอนฉันต้องตอบว่ากายเพราะกาย เป็นฝ่ายรูปธรรมอันจับต้องได้ว่ารูปทรงสันฐานเรียวรีกลมหรืออ้วนผอมประมาณใดต่างจากใจที่เป็นฝ่ายนามธรรมกำหนดรู้ได้ด้วยใจเองเท่านั้นเริ่มต้นขึ้นมาจิตที่เต็มไปด้วยความมัวมนจะแสดงอะไรนอกจากภาวะหม่นมืดฟุ้งซ่านหาความสงบไม่ได้มองเข้าไปกี่ที ก็เจอแต่พายุความคิดเป็นพายุลูกย่อมบ้างลูกใหญ่บ้างประสาคนธรรมดาคนหนึ่งไม่รู้จะดูให้เห็นความเกิดดับได้อย่างไรเลย mm. เมื่อเลือกได้ว่ากายกำหนดง่ายกว่าใจคราวนี้ฉันก็ตั้งโจทย์อีกว่ามีส่วนไหนในกายที่สามารถล่อให้จิตเรารับรู้ได้ง่ายที่สุดเห็นความเกิดดับเร็วที่สุด กับทั้งสามารถใช้เป็นที่ตั้งของสติได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยคิดแค่พริบตาเดียวทุกคนก็ต้องตอบได้ลมหายใจนั่นเองลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงจัดให้เป็นฝ่ายรูปธรรมและทรงกำหนดให้เป็นบนไดขั้นแรกเป็นสภาพธรรมหลักในตัวเรา ที่ควรเฝ้าดูอยู่เสมอเสมอฉันเล็งเห็นความจริงข้อนี้ที่ผ่านผ่านมาจึงได้เพียรพยายามหาแนวทางกำหนดรู้ลมหายใจด้วยวิธีนับลมบ้างใช้คำบริกรรมกำกับบ้างเพ่งดูเฉพาะผัสสะกระทบระหว่างลมกับโพรงจมูกบ้างแต่อาจยังทำไม่ถูกอะไรสักอย่าง จึงไม่เคยประสบความสำเร็จจริงๆ จ, จังๆต่อเนื่องสักทีอย่างมากที่สุดบางวันก็มีความสุขสบายหรือเหมือนลมหายใจแผ่วอ่อนจนขาดไปส่วนใหญ่จะหลับหรือฟุ้งซ่านมึนงงมากกว่าอย่างอื่นรอบนี้เมื่อตั้งใจรับฟังแต่พระบรมครูคนเดียวจึงเกิดมุมมองใหม่ว่า ความจริงท่านเป็นเจ้าแห่งอุบายภาวนามือวางอันดับหนึ่งของโลกและท่านก็ไม่เคยบอกให้นับลมหรือว่าใช้คาบริกรรมกากับรวมทั้งไม่เคยแสดงอุ ป, ปเทพิสดารในแบบที่จะออกไปทางศาสตร์ด้านพลังปราณอันใดท่านสอนธรรมดาธรรมดาหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยาวก็รู้สั้นก็รู้ เน้นความรู้ความสังเกตตามจริงเป็นสำคัญอันนี้นึกดีๆแล้วฉันไม่เคยลองทําดูจริงจังเหมือนอย่างอุบายอื่นๆที่ผ่านมาตลอดเลยสักครั้งน่าทดลองเหมือนกันว่าถ้าเอาจริงแล้วจะเกิดผลเช่นไรประสบความสาเร็จหรือจะล้มเหลวไม่เป็นท่าเหมือนเช่นที่ผ่านมาอันนี้ต้องคอยดูกันสรุปว่า หมวดกายฉันจะเริ่มด้วยการตามรู้ลมหายใจเมื่อประสบความสำเร็จในการรู้ลมหายใจได้แล้วค่อยดูต่อว่ามีอะไรให้ทำในหมวดกายอีก